ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปับภาบุพภาพสิกขาและบุพภาพสิกขาวันนาพระอมาราพิรุชิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาตรเจนาต่อไปจะเป็นทุกกตาบัตในเสกยักษ์จากพันนาในสิกขาบทแห่งทุกกตาบัตต่อไป จะแสดงในเศรษียะทุกตาบัตรกอนเศรษฐียะนี้มีสี่แผนคือเป็นสารูปหนึ่งความเหมาะสมโภชนะปฏิสังยุต์เกี่ยวกับเรื่องการบริโภคการครบการฉั น, นธรรมเทศนาปฏิสังยุต์เกี่ยวกับเรื่องการแสดงธรรมปกินณกะก็คือเบตเตระซึ่งมีสามข้อเท่านั้นเกี่ยวกับการปัสวะอุจจาระบ้วนเขลาต่างๆเหล่านี้สารูปะเศรษียะมีสิกขาบทยี่สิบก ในสิกบทที่หนึ่งความว่าความศึกษาให้ภิจุพึงทำว่าก็คือจะต้องศึกษาอย่างนี้ว่าเราจัดนุ่งให้เป็นปริมณฑลดังนี้นุ่งเบื้องบนปิดมณฑลสะดือเบื้องตามปิดมณฑลเขา่าแต่กระดูกแข้งลงไปให้ผ้านุ่งย่อนลงไปสักแปดนิ้วนุ่งอย่างนี้ชื่อว่านุ่งเป็นปริมณฑลเมื่อไม่นุ่งดังนี้นุ่งให้เลื้อยลงไปข้างหน้าหรือข้างหลัง ด้วยความไม่อื้อเฟือเป็นทุกกฎในเสกี ย, ยะนี้ในสิกขาบททั้งปวงเป็นทุกกฎอย่างเดียวประเภทแห่งอาบัติอื่นไม่มีไม่แกล้งไม่มีสติไม่รู้เป็นไข้และก็อันตรายทั้งหลายและที่สุบ้านเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอาบัติไม่แกล้งว่าจะนุ่งไม่ให้เป็นปริมณฑลดังนี้และคิดว่าจะนุ่งให้เป็นปริมณฑลโดยแท้ และพลังไปนุ่งไม่เป็นปริมณฑลดังนี้ชื่อว่าไม่แกล้งก็ไม่เป็นอบัตแม้รงใจไปอื่นนุ่งไม่เป็นปริมณฑลดังนี้ก็ชื่อว่ามีมีสติก็เป็นอนาบัตไม่เป็นอนบัตนะยังไม่รู้เพื่อจะนุ่งให้เป็นปริมณฑลดังนี้ชื่อว่าไม่รู้ก็เป็นอนาบัตเหมือนกันก็แต่ว่านิวาสนวัฒรำเนียมในการนุ่งผ้าภิสุจำต้องเรียนศึกษาให้รู้ เมื่อไม่ศึกษาชื่อว่าไม่เอื้อเฟือคงไม่พ้นจากอน า, าดริยะทุกกฎหมายถึงเป็นทุกกฎ ด, ด้วยความไม่เอื้อเฟือเพลกตุใดแข้งยาวหรือว่าเนื้อปลีแข้งใหญ่เพล็กตุนั้นจะนุ่งให้เลื้อยไปเกินแปดนิ้วเพื่อให้เป็นสารูปให้เหมาะสมพระอัจฉิยอาจารย์ท่านว่าควรอยู่เพลกตุใดมีแผลในแข้งหรือในเท้าดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นไข้เทอร์นั้นจะนุ่งให้ เขิขึ้นมาก็คือให้มันลอยขึ้นมาหรือว่าเลื้อยลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อจะปิดแผลเหล่านั้นควรอยู่สตรายหรือว่าโจรไล่ชื่อว่ามีอันตรายในอันตรายเช่นนี้เป็นอนาบัติมันเลื้อยลงไปแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นอนาบัตรเหตุแห่งอนาบัติมีไม่แกล้งเป็นต้นดังกล่าวมานี้ให้พึงรู้ในเสกียะสิกขาบททั้งปวงทุกข้อเลยก็จะมีอนาบัติอย่างนี้ จึงจะกล่าวต่อไปข้างหน้าพระเหตุนั้นในสิกขาบทใดมีแปลกจึงจะกล่าวในสิกขาบทนั้นถ้าไม่มีแปลกก็จักไม่กล่าวในเสียขิยะทั้งปวงเป็นอนานัติกะทั้งสิ้นก็คือใช้ให้เขาทำประพฤติผิดอย่างนี้เช่นใช้ให้นุ่งผมไม่เป็นประเดิมทนคนใช้ไม่ต้องอาบัติ ด, ด้วยคนทำเป็นในสิกขาบทที่หนึ่งนี้มีองค์สามก็คือไม่เอื้อเฟื้อหนึ่งไม่มีเหตุแห่งอนาบัตหนึ่ง นุ่งไม่เป็นปริมณฑลหนึ่งพร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นทุกกฎในเสขียะทั้งปวงก็มีองค์สามเหมือนในสุขบทนี้ทั้งสิ้นเลยก็คือไม่เอเือกพลอยอย่างหนึ่งไม่มีเหตุแห่งอนาบัติอย่างหนึ่งแล้วก็กระทําให้ผิดจากความที่กล่าวในสุขบุนั้นๆอย่างหนึ่งเพราะเหตุนั้นต่อไปจกไม่กล่าวประเภทแห่งองค์อีกสมุดฐานวิธีเป็นต้นเมื่อจบเสกียะแล้วจึงจะแสดง ในมาติกาแห่งเสขียะทั้งปวงไม่มีชื่ออาบัตในท้ายศึกขาบทดังศึกขาบทแห่งอาบัตอืน่นมีแต่คําว่าศึกขาการณียาแสดงว่าเสกียะนี้ก็ไม่ได้มีการตั้งชื่อไว้แต่ว่าท่านอาจารย์หรือว่าท่านที่ศึกษารุ่นหลังนี้ก็ท่านก็มาตั้งชื่อกันเอาก็าได้อย่างเช่นปริมันดระศิกขาบทพึงนุ่งให้เป็นปรุณทนเนี่ยนะปริมันดระนิวาสนะอย่างเงี้ย ก็เป็นชื่อเอาไว้เรียกขาดกันได้แต่จะเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจขบทที่หนึ่งในสารูปอนี้ก็ได้เหมือนกันก็มีต่คำว่าสิกขาการนิยาว่าความศึกษาหรือว่าสำเนียที่สูพึงทําดังนี้ทุกสิกขาบทซึ่งรู้ว่าเป็นอาบัตทุกบทนั้นด้วยบาลีซึ่งเป็นบทภ่ายชนะว่าไม่เอื้อเฟื้อขืนทำต้องทุกกดเพราะเหตุนั้นต่อไปแม้ไม่ออกชื่ออาบัตก็เหตุรู้ว่าเป็นอาบัต ด้วยไม่อื้อเฟือในที่จะทําตามก็คือเป็นอันตรทุกกฎทุกสิกขาบทเลยสําหรับสมุดฐานท่านบอกว่าตอนท้ายปฎิกิริยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะบอ ก, บอกข้อที่หนึ่งนี้บอกข้อที่หนึ่งก่อนกันละกันสิขกขาบทข้อที่หนึ่งนี้ก็มีสมุดฐานดุลปฐมประราชิตก็คือมีสมุดฐานเดียวเพื่อแต่สมุดฐานเดียวกายจิตจิติยาสัญญาวิโมกขจิตกะโลกวัชชะกายกรรมอวสันจิตแล้วก็เป็นทุกขเวทนาเพราะว่าไม่อื้อเฟือ สำหรับของประราชิกาสมุทฐานประราชิกข้อประราชิกจริงๆประถมประราชิกมีเวทนาสองก็คือเป็นโลภะบริจิตเพราะฉะนั้นจะต้องมีสมนัตกับอุเบกขาตแต่ว่าในที่นี้สิกขาบทุกข้อถ้าไม่เอื้อเผือนี่ก็เป็นทุกขเวทนาในสิกขบทที่สองความว่าให้พิกตุพึงทำความศึกษาว่าเราจัหผมผ้าให้เป็นตริมนทน คือทํามุมผ้าทั้งสองให้เสมอกันแล้วจึงหม่มทั้งนี้สิกขาบทั้งสองนี้กล่าวไม่แปร ก, กันเพราะเหตุนั้นพึงนุ่งและห่มให้เป็นปริมนตนทั้งในวัดทั้งในแวกบ้านสิกขาบทข้อที่หนึ่งพึ่นุ่งให้เป็นปริมณฑ น, นข้อทสองก็ห่มให้เป็นปริมนฑนทั้งในวัดและบ้านถ้าในบ้านก็ห่มคลุมถ้าในวัดก็หม่มเฉวงบาในสิกขาบทที่สามว่าพึงทําความศึกษาว่าเราจะปกปิดกายด้วยดี คือกลับลูกดมแล้วปิดคอด้วยที่สุดอนุวาธทํามุมทั้งสองให้เสมอกันม้วนเข้ามาแล้วก็ปิดชนตลอดข้อมือแล้วจึงเดินไปในละแวกบ้างเมื่อไม่ทาเช่นนั้นเปิดเข่าหรืออกเดินไปก็เป็นทุกกฏสําหรับชื่อก็ตั้งเอาไว้เรียกกันก็ได้จะมีการตั้งชื่อเอาไว้สําหรับศีรษะบทในเสกียวัตฒ ข้อที่หนึ่งก็เป็นปริมันดารมีวาชนะสิกขาบทข้อที่สองก็เป็นปริมันดาระตาลุปะณนะหอมให้เป็นเร um ื่องเมืองทนสิกขาบทเนี่ยส่วนข้อที่สามก็เป็นการปกปิดกายดีไปในแรกบ้านสุปฏิชน ะ, มนะคมมะณะสิกขาบทส่วนสบทที่สามสุปฏิชนะมนะคมมะณะสิกขาบทที่สี่ก็เป็นสุปฏิชนะนิสีเดนะปกปิดกายด้วยดีนั่งในแรกบ้าน เพิ่งทำวามศึกษาว่าเราจะปกปิดกายด้วยดีนั่งในละแวกบ้านคือนั่งเปิดศีรษะแต่หลุมคอขึ้นไปเปิดมือแต่ข้อมือออกไปเปิดเท้าตั้งแต่เนื้อปลีแข้งออกไปปิดอวัยวะอันเศษนอกนั้นดังนี้ชื่อว่าปิดด้วยดีเข้าไปเพื่อจะอยู่ในละแวกบ้านแม้นั่งเปิดกายในกลางคืนหรือในกลางวันไม่เป็นอัถ้าเข้าไปอยู่ในละแวก บ, บ้านแล้วหมายถึงว่าจะอยู่พัก วาสุปัคัตสะในคนํานี้ในอัตถกาถากล่าวว่าเข้าไปเพื่อจะอยู่แต่ไม่กําหนดว่าอยู่แรมราตรีหรือว่าอยู่ด้วยการงานแต่ในที่อื่นวาสุปคโตนี้ได้ความว่าเข้าอยู่แรมราตรีเพราะเหตุนั้นต่อไปข้างหน้าในคําว่าเข้าไปอยู่ในระแวก บ, บ้านให้พึงรู้ดังกล่าวมานี้เถิดก็คือถ้าจะเข้าไปอยู่พักในที่นั้นก็เปิดกายใต้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าจะอาบน้ำํำอาจจะอะไรบ้างแต่ว่าก็ต้องดูว่า มีพวกชาวบ้านมีพวกเพืหัสเขาอยู่หรือเปล่ากิริยาการเหมาะสมไหมก็ต้องพิจรารณาส่วนสิกขาบทที่ห้าสุตสังวุตตะขมนาสิกขาบทเพึงทําความศึกษาว่าเราจะสํารวมระวังด้วยดีคือไม่เล่นมือเล่นเท้าขนองมือขนองเท้าเดินแต่ในแว้ บ, บ้านสิกขาบทที่หกสูตรสังวุตตะนินะสีดานาสิกขาบท พึ่งทำความศึกษาว่าเราจักสำรวมระวังด้วยดีไม่เล่นมือเล่นเท้าก็คือขนองมือขนองเท้านั่งในระแวกบ้านสิกขาบทที่เจ็ดอกกิตจักขุคมนะสิกขาบทพึ่งทำความศึกษาว่าเราจักทอดตาลงเบื้องตำ่ำคือแลดูข้างหน้าไกลเพียงชั่วแอบเดินไปในระแวกบ้านก็แลจะหยุดยืนในที่แห่งหนึ่งแล้วแลดูอันตรายมีช้างมา้าเป็นต้นนีควรอยู่ แอกหนึ่งก็สี่สองสี่สอง ก, ก็ประมาณสองเมตรก็จะต้องมองดูชั่วแอกในขณะที่เข้าไปในแวกบ้านข้อที่แปดโอคิตจกุนินะสีดนะสิกขาบทเพึ่งทําความศึกษาว่าเราจาับทอดตาลงเบื้องต่ําไกลเพียงชั่วแอกนั่งในระแวกบ้านแม้ไปนั่งในระแวกบ้านก็จะต้องมองชั่วแอกเหมือนกันข้อที่เก้าโอคิตตะขามณนะสิกขาบทเพึ่งทําความศึกษาว่าเราจับไม่เลิกผ้าห่มขึ้น ข้างเดียวหรือสองข้างเดินไปในระแวกบ้านแม้เมื่อรับบาดก็อย่าพึงเลิกขึ้นพึงนำบาดออกโดยกลีดชีวรก็อย่าไปยกชายชีวรขึ้นมาอย่างนั้นก็เรียกว่าเลิกผ้าข้อที่สิบอุคิตตะกานิสีเดนาติศศขาบทพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เลิกผ้าหม่มขึ้นข้างเดียวหรือสองข้างนั่งในระแวกบ้านในเวลานั่ง อยู่แม้จะนำธรรมกตกออกก็อย่าพึงเลิกผ้าขึ้นนำออกเมื่อเข้าอยู่ในบ้านแม้จะเลิกขึ้นไม่เป็นอบัตรถ้าก็ไปอยู่ไปพักแล้วจะเลิกผ้าปลดผ้าอะไรต่างๆเพก็ไม่เป็นได้ข้อที่สิบเอ็ดุดชักชิกะรมนะศิกษาบทพึ่งทำความศึกษาว่าเราจักไม่หัวเราะดังเดินไปในแวดบ้านข้อนี้ก็พิสูจไข่ไม่มีนะก็ะคือไม่ยกเว้นเอง ถ้าเป็นไข้ก็มาหัวเราะเสียงดังอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะนะมันก็ควรจะสงบเงียมมากนะถ้าเป็นใข้สิกขาบทที่สิบสองอุดชัดที่กักนิสิีดนะสิกขาบทจึงทำความศึกษาว่าเราจากไม่หัวเราะเสียงดังนั่งในระแวกบ้านเมื่อเหตุควรจะหัวเราะมีก็ทำแต่เพียงความยิ้มแย้มไม่เป็นอาบาัากถ้าแค่เพียงยิ้มแย้มท่านี้ก็ไม่มีอาบานะนะับสากอะไรข้อที่สิบสาม อุจจะสัตธะคามณสิกขาบทพึ่งทำความศึกษาว่าเราจับมีเสียงเบาไม่พูดเสียงสูงเสียงดังเดินไปในแวกบ้านสิขาบทที่สิบสี่อุจจะสัตตะมิสีดนะติกขาบทพึงทำความศึกษาว่าเราจับมีเสียงเบาไม่พูดเสียงสูงเสียงดังนั่งในระแวกบ้านก็แล้วกำหนดเสียงเบาดังนี้ในเรือนยาวสิบสองศอกหกเมตรเนี่ยนะถ้าพระสังฆเทระนั่งอยู่ต้นเรือน พระเถระที่สองนั่งอยู่กลางเรือนพระเถระที่สามนั่งอยู่ในที่สุดเรือนดังนี้พระสังฆเถรรัพูดจ่าปรึกษาความสิ่งใดกับพระเถระที่สองพระเถระที่สองได้ยินเสียงด้วยกําหนดไยคําเนื้อความได้ด้วยพระเถระที่สามได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวกําหนดไขคําเนื้อความไม่ได้เท่านี้ชื่อว่าเสียงเบา ถ้าคำของพระสังฆเถระดังจนพระเถระที่สามกำหนดให้คำเนื้อความได้ชื่อว่าเสียงดังซึ่งในอัตกถากำหนดเสียงเบาเสียงดังดังนี้ได้ในคนที่มีเสียงเป็นปกติไม่เล็กไม่ใหญ่ก็แต่บางคนเสียงใหญ่บางคนเสียงเล็กกำหนดเอาเสียงโดยปกติเป็นประมาณเถิดสิกขาบทที่สิบห้าตายะปจาระกะธรรมนาสิกขาบทพึ่งทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินโยกกายโครงกาย ซ้ายขวาหน้าหลังไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่สิบหกกายยับประจารกะกามีสีดณะสิกขาบทเึ่งทํำการศึกษาว่าเราจักไม่นั่งโยกกายโครงกายซ้ายขวาหน้าหลังในละแวกบ้านข้อที่สิบเจ็ดพาหุประจาระกะคมนะสิกขาบทเึ่งทํำการศึกษาว่าเราจักไม่ไกวแขนโยนแขนเดินไปในแวกบ้าน พาหุปจารกะกานินสีดาณะสิกขาบทที่สิบปดพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่นั่งไกวแขนโยนแขนในระแวกบ้านศีรัพปจารกะกัฒมนาสิกขาบทที่สิบเก้าพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่โคลงศีรษะกรอกหน้าก็คือเดินสายหัวใส่หน้าไปเดินไปในระแวกบ้านศีรัพปจารกะกานินสีดาณสิกขาบทที่ยี่สิบ พึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่โครงศีรษะกรอกหน้านั่งในละแวกบ้านพิกสุพึงตั้งกายตั้งแขนและศีรษะให้ตรงอย่าให้โยกอย่าให้โครงนั่งและเดินในละแวกบ้านในสามสิขาบทว่าด้วยการนั่งนั้นพิกสุเข้าอยู่ในบ้านแม้โครงกายเป็นต้นก็ไม่เป็นอ ბ ัติก็คือโครงกายกวยแขนแล้วก็สันศีรษะเนี่ยนะถ้าเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วเนี่ย จะทําอาการอย่างนั้นบ้างถ้ามีเหตุสําคัญก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอัติายขำพรกะตักขมนาสิกขาบทที่ยี่สิบเอ็ดเพิงทําความศึกษาว่าเราจะไม่ทําความคํากายก็คือเอามือเท้าในเะเอลข้างเดียวหรือว่าสองข้างเดินไปในละแวกบ้างขำพภกระตะนิสีดนะสิกขาบทที่ยี่สิบสองพึ่งทําความศึกษาว่าเราจะไม่ทําความํากายคือเท้าเะเอลข้างเดียวหรือสองข้าง นั่งในระแวกบ้านเมื่อเข้าอยู่ในบ้านแม้จะเท้าเศาเอวก็ไม่เป็นอบัติเมื่อเข้าไปอยู่แล้วโอคุณติตะคัมมนาสิกขาบทที่ยี่สิบสามพึ่งทําความศึกษาว่าเราจักไม่คลุมทั้งศีรษะเดินไปในแวกบ้านโอคุณติตะนิสิตานะสิกขาบทที่ยี่สิบสี่เพึ่งทําความศึกษาว่าเราจักไม่คลุมทั้งศีรษะนั่งในแวกบ้านเข้าอยู่ในบ้านแม้จะคลุมศีรษะก็ไม่เป็นอบ <ad> ัต ปุกุติกะคมนาสิกขาบทที่25พึงทาความศึกษาว่าเราจักไม่เดินประโยงเท้าในละแวกบ้านยกส้นขึ้นถูกพื้นแต่ปลายเท้าหรือว่ายกแต่ปลายเท้าขึ้นถูกพื้นด้วยส้นอย่างเดียวชื่อว่าประโยงเท้าในปัญรัติกะนิสีเดนะสิกขาบทที่26พึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่รัดเข่าด้วยมือหรือว่ารัดด้วยผ้า นั่งในละเ บ, บีบ้านเข้าอยู่ในบ้านแม้นั่งรัดเข่าก็ไม่เป็นอาบัติทั้ง26สิกขาบทนี้เทีกยุตดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแกล้งล่วงต้องทุกข์กฎไม่แกล้งไม่มีสติไม่รู้และมีอันตรายและพิสู่บ้าเป็นต้นเป็นอนาบัติทุกสิกขาบทแต่เป็นไข้นั้นเป็นอนาบัติแต่ใน25สิกขาบท ยกเดินหัวราเสียก็คือถ้าเดินหัวราะนี่เป็นไข่มันก็ไม่เหมาะสมไม่ควรแต่ว่ายี่สิห้าติการบทนั้นก็ถ้าเป็นไข่ก็ไม่เป็นอบัดก็แลอันตรคารังนี้ถ้าจะแปลตามพยัญชนะแปลว่าที่มีเรือนในระหว่างแปลตามอัฐว่าระแวกบ้านเพื่อจะให้พ้นจากฝั่ว่าคาโมด้วยในวิพังแห่งปาติเดศนิยะท่านกล่าวไว้ไม่เหมือนกับคามสัพดังนี้ว่า อันตรคังนามรติกาประยูหังสังคาตะกังคังแปลว่าตรอกรถเดินได้ตรอกไม่ทะรุทางสี่แพร่งหรือสามแพร่งและเรือนชื่อว่าอันตรคังสารูปาจบข้อว่าด้วยมารยาทอันสมควรต่อไปจะเป็นโพชนะปฏิสังยุท์มีสิกขาบทสามสิบ ในสักกัจจะปฏิฆาณาสิกาบทที่หนึ่งซึ่งมีควข้อที่ยี่สิบเจ็ดของเศษฐียะความว่าพึงทำวามศึกษาว่าเราจักรับบินทบาโดยคารบคือจะทำให้ดีตั้งสติคือจะไม่ทำดังจะเอาไปทิ้งเทเสีย้วยความโกรธในปัตะสัญญีปฏิฆานาสิกาบทที่สองของโพชรพสังยุตนี้ พึงทำความศึกษาว่าเราจะมีความหมายผูกอยู่ในบาตรคือจักไม่เมินดูในที่นั้นๆให้มองดูในที่นั้นนนั้แงดูอยู่แต่ในบาตรขณะที่รับบินตบาตในสมะสู ป, ปะกติฆานาสิขาบทที่สามว่าพึงทําความศึกษาว่าเราจะรับบินตบารมีแกงถั่วพอเสมอแกงถั่วเขียวถั่วราชมาหรือว่าแกงถั่วพลูเป็นต้นพอมือหยิบได้ประมาณเท่าส่วนที่สี่แห่งข้าวสุก มีในบินตบาทใดบินตบาทนั้นชื่อว่ามีแกงถั่วพอเสมอเมื่อรับแกงถั่วให้ยิ่งไปกว่านั้นเป็นทุกกฎรับแกงกลับแล้วด้วยเนื้อปลาและใบไม้พ้นจะแกงถั่วให้มากกว่าดีหรือรับแกงถั่วแต่ยากและคนปรนนารือรับเพื่อผู้อื่นหรือแดกเอาด้วยทรัพย์ของตอนแม้มากก็ไม่เป็นอบัตอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นความประพฤต ของในชนในชมพุทวีหรือว่าในชนในอินเดียนั่นน ะ, นะนะเขาชอบรับประทานข้าวกับแกงถั่วจะมีแกงถั่วเป็นประจําแล้วก็มีกับข้างอย่างอื่นผสมเระนั้นแกงถั่วนี้ถ้ารับมากนี่เขาให้รับแค่ประมาณส่วนที่สี่ของข้าวสุกเท่านั้นถ้ารับมากกว่านั้นนี่จะเป็นอับัตแกงถั่วนี้จะหยิบได้ใช้มือหยิบได้ต่อไปสมัสติิกะปฏิกาณะสิกขาบทที่สี่ เพิ่งทำความศึกษาว่าเราจะรับบินทบาทซึ่งเป็นยาวะกาลิก ส, สิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเต็มเสมอขอบปากบาทไม่ให้ล้นเกินเหลี่ยมขอบปากข้างล่างข้างในแห่งบา ท, ที่ควรอธิษฐานก็แลในบา ท, ที่เล็กหรือใหญ่ไม่ควรอธิษฐานยาวะกาลิกแม้จะพูนล้นขึ้นมาก็ดีและในบาทควรอธิษฐานและไม่ควรอธิษฐานก็ตามยาวะกาลิก ส, สัตหาการิกยาวะชีวิศ แม้จะพูน ล, ล้นขึ้นมาก็ตามควรอยู่อันนี้เฉพาะยาวการิกเท่านั้นนะที่พูนขึ้นมาแล้วก็เป็นอบัติชำระบาตที่ควรอธิษฐานแต่ถ้าบาตไม่ควรอธิษฐานก็ยังไม่เป็นอบัตบาตเล็กหรือบาตใหญ่เป็นไปเนี่ยแต่ถ้าพวกยาวการิล็กสัตตหาการิกยาวะชีวิตจะพูน ล, ล้นขึ้นมาบาตจะอจธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็แล้วแต่อันนี้ยังไม่มีอบัตของใดรับสองบาทแล้วถ่ายลงบาทหนึ่งแล้วส่งมาวัดก็ดีหรือขนมท่อนอ้อยผลไม้เป็นต้นอันใด เขาวางลงพูนอยู่แม้ตั่นเข้าจะพร่องลงไปหรือเขาเอาพวงกระวานเป็นต้นวางข้างบนถวายให้หรือของใดรองใบไม้และถ้วยวางบนบาดก็ดีของเหล่านั้นจะชื่อว่าพูน ล, ล้นเป็นจอมก็หาไม่เพราะเหตุนั้นรับของทั้งพวงนั้นควรอยู่แม้พิสุขไข้ก็ไม่ค้นอบาบัติสำหรข้อนี้นะรับคูนบาดไปไม่ควรในที่ทั้งพวง ข้อแลรับแล้วจะเป็นอันรับได้ดีจะฉันควรอยู่แต่ว่าเป็นอบัติเพราะไม่เอื้อเฟื้อในข้อที่รับข้าวสกให้พูนบาทขึ้นมาเนี่นะแต่ถ้าเป็นสมัยนี้เขาใส่ถุงพลาสติกใส่ใสไปแล้วถ้าล้นขึ้นมานี่ถ้าเอาถุงออกมันก็จะกลายเป็นไม่ล้นเพราะนั้นก็แม้ใส่ถุงพลาสติกหลายๆถุงแล้วก็พูนขึ้นมาก็ไม่เป็นอาบัติหรือว่าเขาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็วางไว้บนฝาบาดให้อันนี้ก็ไม่เป็นอาบัติ ต่อไปสัพกจักพุนชนะสิขาบทที่ห้าพึงทำความศึกษาว่าเราจักทำให้ดีก็คือตั้งสติฉันบินทบาทโดยเคารพจักไม่ฉันพรางเล่นทางปัตตานสัญญีพุนชนะสิขาบทที่หกพึงทำความศึกษาว่าเราจักมีความหมายอยู่ในบาจักไม่แลดูในที่นั้นฉันบินทบาทก็คือจะต้องต้องดูอยู่ในบาขณะฉันบินทบาท สปาทานะปุญชนะสิขาบทที่เจ็ดเพื่อทำาาวามศึกษาว่าเราจักฉันบินธบาดกวาดให้เสมอโดยลำดับไม่ทำข้าวให้เป็นขุมลงไปในที่นั้นๆจักให้ข้าวแก่ผู้อื่นหรือจักแบ่งข้าวลงในภาชนะอื่นกดให้เป็นขุมลงในที่นั้นๆก็ดีในแกงกับหยิบไม่เป็นลำดับลงไปก็ดีไม่เป็นอาบัติถ้าข้าวสุกนี้ต้องฉันให้เป็นลำดับสม สูประกาคุณนชนะสิกขาบทที่แปดเพิ่งทำความศึกษาว่าเราจากักฉันบินธบาตมีแกงถั่วเท่าถั่วที่สี่แห่งข้าวสุกดังกล่าวแล้วก่อนในแกงเนื้อแกงปลาหรือว่าแกงถั่วของญาติของคนตรณนาหรือแลกมาด้วยทรัพย์ของตนแม้ฉันมากก็ไม่เป็นอาบัตในถูประกาศตักพูนชนะสิกขาบทที่เก้าเพิ่งทำความศึกษาว่าเราจากักฉันบินธบารไม่กดเจาะลงไปแต่จอม แต่ท่ามกลางอย่างเดียวพิกสุขข้ไม่มีในที่นี้ข้าวน้อยกว่าเป็นกองข้าวแห่งเดียวกันกดลงไปตรงกลางฉันไม่เป็นอบัติแต่ว่าพริกสุขขก็ไม่ค้นนบัตขอ้อนี้ในโอดณะปฏิชาณะสิกขาบทที่สิบเพิ่งทำกามศึกษาว่าเราจะไม่เอาข้าวสุกกรอบแกร่งหรือกับด้วยอาศัยความประสงค์จะได้มากจะให้ได้มาก ที่สุขให้ข้อนี้ก็ไม่พ้นกานเป็นอบัติในมาคาตะสมัยคราวห้ามไม่ให้ข่าสัตว์ถ้ายกผู้เจ้าของเขาปลบให้เองหรือไม่อาศัยความประสงค์จะได้มากกรบเสียเองก็ดีไม่เป็นอบัติถ้าไม่ต้องการอยากได้มากกรบเอาไว้ก็ไม่เป็นอบัติในสูปโปดานะวินยัติที่สิบเอ็ดพึงทําความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข่จักไม่ขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อตนเองฉัน ขอแต่ญาติและคนปาวนาหรือว่าขอเพื่อผู้อื่นหรือแลกเอาด้วยทรัพย์ของตนก็ไม่เป็นอบัตในอุชานาสันดีสิกบทที่12เพ่งทำความศึกษาว่าเราจะไม่หมายจะยกโทษแล้วแลดูบาแห่งที่ตัวอื่นแม้ที่ถูกให้ก็ไม่พ้นอบัตรอนนี้นะแลดูได้คิดจะให้หรือจะให้ผู้อื่นให้หรือแลดูด้วยในคิดจะยกโทษไม่เป็นอบัต กัพระสุขธบทที่สิบสามพึงทํำการศึกษาว่าเราจักไม่ทำคําข้าวให้โตนะักคําข้าวเท่าปองนกยูงชื่อว่าโตนะักต่ำกว่านั้นชื่อว่าไม่โตนะักในของเคี้ยวทั้งปวงเป็นต้นว่ารากไม้หรือพลาผลและแกงแม้คําโตไม่เป็นอบัติคําข้าวก็ฟองนกยูงเท่าไข่นกยูงโตเกินไปแล้วไผ่ไก่เนี่ยก็เล็กเกินไประหว่าง น, นี้ก็ชื่อว่าไม่โตนะักอย่างว่า ปากของคนในอินเดียสมัยก่อนนี้อยักหนี้นะถ้าคำข้าวนี้ก็ต้องปั้นเป็นคำคําห้ามตัดและขัดจะมีอบัตตต่อไปอะโลปะสุขาบทที่14เพึ่งทําความศึกษาว่าเราจัดทาคํำข้าวให้เป็นปริมณฑลให้กลมๆก็คือไม่ให้ยาวในของเคี้ยวทั้งปวงและพลาผลและแกงถั่วเป็นอนาบัติก็คือจะทํำยังไงก็ไม่เป็นไรนะถ้าเป็นพวก ผลไม้โปรแกรมถั่วต่างๆในอนาหะตะสิกขาบทที่สิบห้าพึงทําความศึกษาว่าเมื่อคำข้าวยังไม่มาถึงปากเราจัะไม่อ้าปากไว้ก่อนไม่อ้าปากไว้รอธาติอ้าไว้เดี๋ยวแมลงวันเข้าไปก็ไม่สมควรไม่เหมาะสมไม่ดีไม่สวยด้วยต่อไปพูณชนะมานะสิขาบทที่สิบหกพึงทําความศึกษาว่าเราจะไม่สอดมือทั้งหมดเข้าในปาก ในดีกาว่าหัตถะทรัพในที่นี้ให้พึงเห็นในนิ้วมือโดยเอกเทศแห่งมือดังในคําว่าหัตถามุท ธ, ธาเพราะเหตุนั้นจะสอดแม้นิ้วหนึ่งหรือว่าเอกเทศแห่งนิ้วนั้นเข้าในปากย่อมไม่ควรแต่ว่าจะหยิบชิ้นของผลไม้ชิ้นเนื้อชิ้นกับข้าวแล้วก็เอาไปเข้าปากแล้วก็ลูบ ก, ก็ดูดแล้วถ้าเศษมันจิบมืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีอันตร์ อราใส่เาในปากก็อมแล้วก็ อ, ออกมาต่อไปในสกภะพระสิขาบทที่สิบเจ็ดเพิ่งทำความศึกษาว่าเรามีปากทั้งคำข้าวจักไม่พูดด้วยคำข้าวเท่าใดคำพูดจักไม่บริบูรณ์เมื่อคำข้าวเท่านั้นมีอยู่และพูดก็เป็นอบัตก็แลภิกษตใดแสดงทำอยู่อมสมอเป็นต้นอยู่ในปากแสดงไปพรางด้วยสมอเท่าใดถ้อยคาบริบูรณ์อยู่สมอแต่เพียงเท่านั้น มีอยู่ในปากก็ควรควรอยู่ลุกอมหรืออะไรต่างๆอยู่ในปากถ้าพูดแล้วพยัญชนะนนไม่ติดเทียนไปก็อมไว้ได้ต่อไปในเป็นดุกเข ป, ประกาศิกาบทที่สิบแปดพึ่อทาความศึกษาว่าเรจาจะไม่โยนคําข้าวเข้าปากฉันในของเคี้ยวและผลาผลเป็นอนาบัติก็คือถ้าโยนก็ไม่เป็นอนบัตแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะสมแล้วนะไปเอาของเคี้ยวผลไม้ต่างๆมาโยนเข้าปากนี่ก็ไม่เหมาะสม แต่ว่าไม่มีอบัตเฉพาะคําข้าวในสิกขาบทที่สิบเก้ากับพระลาวเฉชะกับสิกขาบทพึงทําความศึกษาว่าเราจักไม่กัดคําข้าวฉันแม้ในแกงและของเคี้ยวและธราผลก็เป็นอนาบัติกัดได้ถ้าเป็นผลไม้เป็นธราผลต่างๆอันนี้ก็กัดได้ไม่มีอบัตเฉพาะคําข้าวห้ามกัด ในอะวะคันดการักขติคขาบทที่ยี่สิบพึงทําความศึกษาว่าเราฉันจักไม่ทําคําข้าวให้ตุยในกระพุ้งแก้มดังวานอนก็คือไม่ฉันทํากระพุ้งแก้มไม่ตุยส่วนพลาผลผลไม้แรงต่างเหล่านี้ก็ทําให้ตุยก็ไม่มีอ ბ ัตแต่ก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหรต่อไปหัะนิททุนักสิคขาบทที่ยี่สิบเอ็ดพึงทำความศึกษาว่าเราฉันจกักไม่สลับมือจะไม่ฉันสลับมือ เก็บกากเก็บผงทิ้งสลัดมือไม่เป็นอบัติข้ามาติดแล้วก็สลัดหน่อหนึ่งก็ไม่เป็นอบัติฉันไปสลับมือไปนึ่ก็ไม่สวยงามต่อไปเศรษฐาวรากาัลกษัิริยบดที่ยี่สิบสองพึงทําความศึกษา ว, ว่าเราฉันอยู่จึงไม่ทำมเมล็ดข้าวให้ตกเรียรายในที่นั้นๆเก็บก า, กากและผงทิ้งมเมล็ดข้าวตกด้วยก็ไม่เป็นอบัติในชิวหานิชารากาัลกษัตริยบดที่ยี่สิบสามพึงทําความศึกษา ว, ว่า เราฉันจักไม่แลบลิ้นออกจากไม่ฉันแล้วก็แกลบลิ้นออกมาในจัปปูจัปปูกาละกาติขาบที่ยี่สิบสี่พึงทํำการศึกษาว่าเราฉันจักไม่ทําเสียงดังจัปปูจัปปูก็คือเสียงดังจับจับข้อที่ยี่สิบห้าสุโสรุการะกัติขาบทพึงทําความศึกษาว่าเราจับฉันไม่ทําเสียงดังโสรุโสรุก็คือดังสุดสก็สมายถึงดื่มน้ําแกงเลยนะอภทานีเลหะกะสิขาบที่ยี่สิบหก พึงทำความศึกษาว่าเราฉันจักไม่เลียมือเมื่อฉันอยู่จะเลียแม้แต่นิ้วมือก็ไม่ควรก็แล้วจะจิบข้าวต้มน้ําอ้อยข้าวปลายาดเป็นต้นที่แค่นด้วยนิ้วมือแล้วสอดนิ้วมือเข้าไปในปากฉันควรอยู่ตัตาณิเลหกะสิกขบที่ยี่สิบเจ็ดพึงทำความศึกษาว่าเราฉันจักไม่ขอดบาดแม้ด้วยนิ้วมืออันเดียวขอดกวาดข้าว ที่เหลืออยู่น้อยเข้าแห่งเดียวกันฉันไม่เป็นอบัตไม่คอดบาดเล่นนะอนิ้วมือไปขูดบาดอะไรต่างๆเรื่อ ง, ง น, น, นี้ก็ไม่เหมาะสมในโอทานิ Le ka, เลหกะสุขบัที่ยี่สิบแปดพึงทางําความศึกษาว่าเราฉันจากนิลีริมผีปากแม้แต่ข้างเดียวด้วยลิ้นก็แลจะเม้มริมผีปากให้อามิตรที่ติดอยู่เข้าไปในปากนั้นควรอยู่แต่ว่าจะเปเรียริมผีปากพลัดพลัดแบบงูแลบลิ้นออกมานั้นก็ไม่ดีไม่สวยไม่ ง, งาม สามิตรหัตถสิกขาบทที่ยี่สิบเก้าพึงทำความศึกษาว่าเราจับไม่จับถือภาชนะน้ําฉันด้วยมือเปื่อนอมิตรข้อนี้ห้ามด้วยมือเปื่อนอมิตรปฏิโกณเพราะเหตุนั้นแม้สังและขันและถ้วยน้ําแม้เป็นของสงหรือว่าของกฤหัตหรือของตัวเองก็ดีอย่าพึงจับถือเลยเมื่อจับถือเป็นทุกข์โดยเป็นของใครก็แล้วแต่ ถ้ามือเปื้อนอามิตรจะไปจับมีต้องอบัตดทุกกฎถ้าแลเอกเทศแห่งมือแห่งหนึ่งซึ่งอามิตรไม่เปื้อนมีอยู่ไซส์จะจับด้วยเอกเทศแห่งมือนั้นควรอยู่คิดว่าจะล้างหรือว่าจะให้เขาล้างแล้วและจับต้องไม่เป็นอบัติถ้าคิดว่าจะล้างเดี๋ยวต้องไปล้างก็จับไม่เป็นไรหรือว่าบาต ท, ที่ไม่เปื้อนอามิตรแต่ว่ามือตัวเองเปื้อนเพราะฉะนั้นก็เขาบอกว่าให้อมน้ําอมนหนึ่งแล้วก็เทน้ําลงในบาตร แล้วก็ไปอมน้ำจากบาดนะบาดนั้นก็ชั่วเปื้อนไปแล้วน้นจะจับก็ม่เป็นไรในศิขบศที่สามสิบสาสิถกะปัโตปะตะทุวนาพึ่งทำกามศึกษาว่าเราจับไม่เทน้ำล้างบาดทั้งเมล็ดข้าวลงในละแวกบ้านเก็บเมล็ดข้าวขึ้นจากน้ำกองไว้แห่งหนึ่งเทแต่น้ำหรือว่าขยี้เมล็ดข้าวให้ละเอียด ไปในน้ําเทเสียหรือว่าเทในกระโถนแล้วก็เอาไปเทเสียหรือว่าเอาไปเทเสียข้างนอกเหล่านี้ก็ไม่เป็นอบัตในสามสิบสิกขาบทนี้พิจูดายอาศัยความไม่เอื้อเฟือแกล้งร่วมต้องทุกดถ้าไม่แกล้งไม่มีสติมีอันตรายพิจูบ้าเป็นต้นไม่เป็นอบัตทุกสิขาบทก็แต่เป็นไข้นั้นเป็นอาณาบัตอยู่ในยี่สิบหกสิขาบทยกสี่สิกขาบทก็คือรับภูนบาท รับเตืนขอบปากบาดแล้วก็ฉันเจาะขุดฉันเจาะขุดข้าวสุกลงไปเอาก็สุกกลบแปลงกลงกับเพื่อหวังจะได้มากแล้วก็ไปแลดูบาทของผู้อื่นเพื่อยกโทษททติดศัตรูนี้แม้พี่ถูกให้ก็ไม่ผลอันนี้ก็เป็นโภชนะปฏิสังยุทธจบศิตาบทว่าด้วยเรื่องของการขบฉันต่งตางๆสําหรับธรรมเทศนาปฏิสังยุทธ์ก็อาไว้ต่อในวันพรุ่งนี้ขอให้ท่านได้อบรมเสกียวัฒนคือทําความศึกษา ในศิขาดบทที่ควรจะต้องศึกษาแล้วก็ทั้งศีลสมาธิปัญญาก็เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาเพราะว่าเป็นการศึกษาเป็นอันทศีลเป็นอธิทิดเป็นอันที่ปัญญาศิขาเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาทั้งหมดถ้าศึกษาได้ร้องบริบูรณ์ก็จะเป็นเหตุที่ทําให้บรรลุอริยสัจธรรมให้พ้นจากปัจจุบุตรุั้งหลได้านกปั่งไปทั้งนั้งหลายได้โอกาสในการพ้นจากปัจจุุตรุ่ได้ตรัสรู้อริยสัจสีโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ